ไม่ว่าเขาจะส่งเคราะห์ท่านหรือไม่ก็ตามหนุ่มน้อยวัย17เดินลงบันไดจะไปเก็บผักปังข้างรัว้วมาต้มจิ้มน้ำพริกเห็นพระภิกษุมายืนอยู่หน้าบ้านก็บังเกิดความยินดีมารดา ข, ของเขาป่วยเป็นอมาพาสมานานปีและเรียกร้องอยากจะเห็นพระแต่บ้านของเขา อยู่ไกลจากวัดมากจึงไม่มีพระมาโปรโดในตอนเช้าครั้นจะไปนิมนต์ท่านมาฉันเพลเขาก็ยากจนขัดสนเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้แต่สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตทุกคืนค่ำขอให้มีพระมาโปรโดมารดาบัดนี้คำอธิษฐานของเขาสำเริจผลแล้ว เด็กหนุ่มรีบเดินเข้าไปหาลงนั่งยองยองประคองอัญชลีถามท่านว่าหลุงพ่อมาจากไหนหรือครับอาาตมาเป็นพระทูต ด, ดงเพิ่งออกจากป่าดงพญาเยน็นท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นหลุงพ่อก็ยังไม่ได้ฉันเพนนะสิครับถามอย่างยินดี อาตอมาไม่ได้ฉันเพลนมาเจ็ดวันแล้วพ่อนนุม่มท่านตอบลุงพ่อคงจะหิวผมนิมนต์ฉันที่บ้านผมนะครับที่นี่ไกลจากหมู่บ้านมากกว่าจะไปถึงคงเลยเพลนไปแล้วหากไม่รงเกียจว่าผมยากจนขัดสนนิมนต์ขึ้นบ้านเลยครับอาตอมาเป็นพระภิกษุ มีหน้าที่สงเคราะห์ญาติโยมไม่ว่าพวกเขาจะรวยหรือจนเรื่องจะรังเกียิเดียดฉันไม่มีหอกพ่อ น, นุ่มท่านตอบแล้วจึงเดินไปขึ้นบันไดหนุ่มน้อยรีบตามขึ้นไปจัดการหาเสือเก่าๆซึ่งมีอยู่พื้นเดียวมาปูให้ท่านนั่งตักน้ำฝนจากองค์มาถวายปากร้องบอกมารดา ซึ่งนอนห่างจากที่นั้นประมาณวา1หนึ่งว่าแม่จ๋าพระมาโปรดเราแล้วอืมเอ็งว่าอะไรนะไอ้หนูหญิงอายุราวห้าสิบถามพลางหันหน้ามาทางลูกชายครั้นเห็นพระนางจึงยกมือทั้งสองขึ้นในท่าประนมพระทุดงมาโปรดเราแล้วจ้ะแม่แม่ได้พบพระแล้ว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 เขาตายไปเมื่อสามปีก่อนฉันมีลูกห้าคนเป็นผู้หญิงสี่มีครอบครัวไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกชายคนเล็กเขาบอกจะไม่ยอมมีเมียกลัวว่าลูกสะภ้ยจะรังเกียจฉันจะ๋ะเราจนครับหลวงพ่อแม่จ๋าคุยกับหลวงพ่อไปพลางๆก่อนนะ หนูจะไปทำเพลงมาถวายท่านหลวงพ่อไม่ได้ฉันเพลงมาเจ็ดวันแล้วเขาบอกมารดาแล้วจึงลุกออกไปเตรียมอาหารที่ในครัวด้วยเกรงจะไม่ทันเพลงลูกสาวโยมเขาพากันมาเยี่ยมบ่อยไหมท่านพระครูถามมารดาของหนุ่มน้อยไม่มาเลยจ้ะหลวงพ่อ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 ยังไม่มาหาแม่กันเลยโยมกับลูกชายไม่ลำบากแย่หรือจะทายังไงได้ละจ้าหลวงพอ่อฉันสองคนแม่ลูกลำบากมากทีเดียวบางวันต้องอดมือกินมือ้อลูกชายฉันเข้าดีเหลือเกินเขาดูแลฉันมาตั้งแต่พ่อเขาตายใหม่ตอนนั้น อายุแค่ส4แต่ต้องรับภาระหนักมากทั้งหุงหาอาหารอาบน้ำป้อนข้าวเช็ดขี่เช็ดเยี่ยวเขาทำได้ทุกอย่างโดยไม่นึกรังเกียจเดียดฉันถ้าไม่มีเขาฉันคงตายไปเสนานแล้วเป็นบุญของโยม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 ถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อทำนายก็แปลว่าหลวงพ่อนำโชคมาให้ฉันกับลูกฉันต้องขอบคุณหลวงพ่อมากจ้ะแต่ฉันก็ยังมองไม่เห็นทางว่าจะร่ำรวยขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวโยมก็จะรู้เองพระธุดงค์ตอบด้วยความมั่นใจในธรรมานุภาพ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 ขณะรอให้ข้าวเดือดเขาลงไปเก็บผักปังข้างรั้วมากาหนึ่งเดินลอดใต้ถุนจะมาขึ้นบันไดก็พบวัตถุก้อนกลมๆสีเทาดำสองก้อนจึงหยิบขึ้นมาดูหากก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงนำไปให้พระธุดงดูนี่เขาเรียกว่าเงินกลมพ่อ น, นุ่จะเป็นเศรษฐีแล้ว ท่านพระครูบอกเขาท่านเห็นว่าใต้ถุนบ้านชายหนุ่มมีหายใส่เงินกลมฝังอยู่เป็นสมบัติที่บรรพบุรุษฝังไว้หลายสิบปีแล้วผมหรือครับจะเป็นเศรษฐีหลวงพ่อพูดเล่นใช่ไหมครับพูดจริงสิเอาละไปดูหม้อข้าวในครัวก่อนพูดตอนนี้เดี๋ยวข้าวไหม หนุ่มน้อยจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายข้าวในหม้อกําลังเดือดมีน้ำข้าวล้นออกมาใส่เตาเสียงดังแฉะแฉเขารีบเปิดฝาหม้อแล้วใช้ทับพีคนให้ทั่วปล่อยให้มันเดือดอีกสักพักกระทั่งเม็ดข้าวสุก ด, ดีจึงยกหม้อลงจากเตาปิดฝาใช้ไม้ขัดหม้อสอดตรงหูทั้งสองข้าง แล้วรินน้ำข้าวใส่ชามไว้ระหว่างที่รอให้ข้าวเสด็จน้ำก็คั่วถั่วลิสงอันเป็นผลิตผลจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเมื่อถั่วใกล้จะสุกจึงหยอนน้ำปลาลงในกระทะเสียงดังฉาฉาใช้ตะหลิวคนกลับไปกลับมาจนน้ำปลาแห้งจับเป็นเกล็ดสีขาวรอบๆเม็ดถัว่วซึ่งสุกพอดี ตักถั่วใส่จานสังกสียกกระทะลงนำหมอ้อข้าวขึ้นดงไฟพลิกไปพลิกมาให้ข้าวระอุทั่วทั้งหม้อจากนั้นจึงต่ำน้ำพริกและต้มผักเสร็จแล้วจึงยกสำรับมาถวายพระทุดงท่านพระครูได้ฉันเพนเป็นมื้อแรกหลังจากที่ไม่ได้ฉันมาเจ็ดวัน ท่านรู้ว่าเด็กหนุ่มจะได้พลานิสงอันยิ่งใหญ่เพราะเขาทำบุญด้วยความเต็มใจฉันเพนเสร็จท่านจึงยะถาสพีหนุ่มน้อยและมารดาประนมมือรับพรอย่างยินดีปรีดาจากนั้นจึงบอกเขาว่าสิ่งที่พ่อ น, นุ่มนำมาให้อาตมาดูนั้นเขาเรียกว่าเงินกลม เป็นเงินที่คนโบราณเขาใช้กันใต้ทุนบ้านพ่อนุ่มมีห้บรรจุเงินกลมฝังอยู่ให้นำเงินกลมไปขายในเมืองวันละแปดสิบก้อนนำเงินไปฝากธนาคารไว้อย่านำไปทีเดียวหมดให้นำไปวันละแปดสิบก้อนทําตามที่อาตมาบอกนะ ทำไมต้องนำไปวันละ80ก้อนครับเขาสงสัยเพราะถ้าเอาไปมากจะเป็นอันตรายกับตัวเองครับผมจะเชื่อหลวงพ่อพรุ่งนี้ผมจะเอาไปขายแต่เช้าแล้วผมจะต้องขุดหขึ้นมาไว้บนเรือนไหมครับไม่ต้องเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่มีใครมาขโมยของเธอไปได้หรอกเพราะเขา ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ทรัพย์เหล่านี้แล้วจึงบอกมารดาของเด็กหนุ่มว่าพอลูกโยมกลายเป็นเศรษฐีเขาก็จะพาโยมไปรักษาในเมืองโยมจะหายเป็นปกติในอีกสามเดือนข้างหน้าเพราะมีลูกดี ฉันยังมีโอกาสจะหายได้หรือจ้าหลวงพอ่อได้สิอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้ขอให้โยมสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนนะฉันลุกขึ้นนั่งไม่ได้แล้วจะสวดมนต์ได้หรือจ้าหลวงพอ่อได้สินั่งไม่ได้ก่อนนอนสวดการสวดมนต์ใช้ปากกับใจ สองอย่างเท่านั้นเอาละอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้โยมกับลูกจงมั่งมีสีสุขนะโยมนะสาธุนางยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะแล้วบอกลูกว่าไอ้หนูลงไปส่งหลวงพ่อท่านอ๋อหาน้ำให้ท่านไปฉันกลางทางด้วย ท่านอุตสาห์มาโปรดถึงบ้านจ่แม่เดี๋ยวหนูจะเอาน้ำฝนใส่กระบอกถวายท่านไปไว้ฉันกลางทางหนุ่มน้อยพูดแล้วลุกออกไปจัดการครู่หนึ่งก็นำกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำฝนมาถวายท่านพระครูขอบใจมากพ่อ น, นุ่มอาตมาขออนุโมทนาขอให้พ่อ น, นุ่มจำเริญจำเริญ น, นะ ท่านอวยชัยให้พรหนุ่มน้อยจึงก้มลงกราบสามครั้งจากนั้นจึงตามลงมาส่งท่านหลวงพ่อจะทุดงไปที่ไหนครับเขาถามไปภูคาจังหวัดน่านพ่อนุ่มรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักครับเอาละอาตมาขอลาพ่อนุ่มดูแลแม่ให้ดีนะ รับหลวงพ่อเขารับคำและก้มลงกราบสามครั้งอีกคราท่านเดินรับพุ่มไม้ไปแล้วจึงขึ้นมาบนเรือนเห็นเงินกลมสองก้อนวางอยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าควรจะถวายท่านไว้เป็นที่ระลึกจึงหยิบเงินกลมมากำไว้แล้วรีบลงบันไดวิ่งตามท่านไปวิ่งไปจนเหนื่อยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบท่าน ยืนหอบแฮกๆกอยู่กลางทางพลางพูดกับตัวเองว่าสงสัยพระธุดงองค์นี้จะเป็นเทวดาแปลงมาหากเป็นมนุษย์คงจะเดินได้ไม่เร็วขนาดนี้คิดแล้วก็มีอันขนลุกสู้ไปทั้งตัวเกิดความกลัวอย่างบอกไม่ถูกเข้าหันหลังกลับแล้ววิ่งเต็มกำลังประเดี๋ยวหนึ่งก็กลับมานั่งหอบแฮกแกอยู่บนเรือน แม่จ๋าหลวงพ่อองค์นี้คงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกจ้ะเขาพูดเสียงละล่ำละละักอะไรทำให้เองคิดอย่างนั้นละ่ะไอ้หนูนั่งถามลูกชายก็หนูวิ่งตามท่านไปติดๆดยังไม่ทันไม่รู้ว่าท่านหายไปได้ยังไงท่านอาจจะเป็นเทวดาอย่างเองว่าก็ได้แสดงว่า เราโชคดีที่มีเทวดามาโปรดงั้นเอ็งลองไปดูสิว่าใต้ทุนบ้านเรามีไหใส่เงินกลมฝังอยู่จริงหรือเปล่าหนุ่มน้อยจึงลุกออกไปสักพักก็ขึ้นมาบอกมารดาว่าแม่จ๊ามีจ๊ไหบยบ่อเลยเรารวยแล้วถ้าอย่างนั้น หลวงพ่อท่านต้องเป็นเทวดาแน่นอนเจ้าประคุลเป็นบุญเหลือเกินอยู่ๆก็มีเทวดามาโปรดถึงบ้านออกจากบ้านสองแม่ลูกแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็ใช้คาถาย่นระยะทางเพื่อที่จะได้ถึงภูคาโดยเร็วที่ใดไม่มีบ้านคนท่านก็ใช้คาถาแต่ถ้าพบบ้านคน ก็ใช้เห็นหนอตรวจสอบก่อนว่าเขาทุกข์ร้อนและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แล้วท่านก็จะสงเคราะห์เป็นรายๆไปกระทั่งพบค่ำจึงมาถึงภูคาและพบหลวงพ่อดำภิกษุรัตรัญยูนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่คนต้นใสท่านจึงตรงเข้าไปทำความเคารพหลวงพ่อมาถึงนานแล้วหรือครับ ท่านถามเพราะความเคยชินเสียมากกว่านอนแล้วแล้วเราก็มีงานที่จะให้เธอทำชาวบ้านเขากำลังเดือดร้อนพรุ่งนี้เราต้องไปแพะเมืองผีด้วยกันเพื่อช่วยพวกเขาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหรือครับทำไมต้องไปที่แพะเมืองผีเพราะชาวบ้านแถวนั้น เขากำลังเดือดร้อนพวกผีดิบออกมารังควานชาวบ้านในตอนกลางคืนเราต้องไปปราบผีดิบปราบผีดิบหรือครับถูกแล้วจะใช้อะไรปราบครับผมเป็นพระทุดงยันกันผีก็ไม่มีมีดหมอก็ไม่ได้เอามาเธอมีสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือ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 ถึงไม่เคยเอาออกมาใช้แต่มีไว้มันก็ทำให้อุ่นใจครับต่อไปนี้เธอไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นก็ได้เพียงระลึกถึงพระรัตนไตรขอถึงพระรัตนไตรว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเท่านี้ก็พอเพราะบัตรนี้เธอถึงแล้วซึ่งความไม่สะดุ้งกลัวภัยใดใดอีกครับหลวงพ่อ แต่ถึงผมจะไม่ต้องสะดุ้งกลัวภัยใดๆอีกแม้แต่ภัยในวัตฏสงสารแต่ผมก็ยังอยากเก็บผ้ายันและมีดหมอไว้เป็นที่ระลึกครับผมขออนุญาตเก็บต่อไปนะครับเธอนี่พี่ลึกเอาเธออยากจะเก็บก็ไม่ว่าแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้นใช้จิตอย่างเดียวก็เกินพอ